บทที่11พิธีแต่งงานบนสวรรค์ที่สุดของความตายคือการลงเอยการจบสิ้นชีวิตของคนที่เรารักตลอดการก้าวแรกในการยอมรับเรื่องความตายก็คือความเชื่อว่าสามีภรรยาพ่อแม่และลูกๆคนรักและเพื่อนสนิทจะได้อยู่ด้วยกันอีกครั้งในภาวะชีวิตหลังความตายไม่ต้องห่วงเสียงทั้งหลายบอก คนที่คุณรักจะไปอยู่กับคุณส่วนคนที่คุณไม่ชอบก็จะไม่ตามรังควานคุณหรอกทีนี้โรสเด็กขายดอกไม้กล่าวคุณก็จะได้อยู่กับคนที่คุณสนใจกันจริงๆรักกันมันขึ้นอยู่กับความอาทรที่มีให้อีกฝ่ายสามีภรรยาที่เกลียดกันก็จะไม่มีความหมายต่อกันอีกต่อไปพวกเขาจะไม่ได้มาอยู่ร่วมกันที่นี่ บิก์กับฮาร์ลี่สิงห์ผับมีแม่รอให้การต้อนรับและดูแลพวกเขาแม่ของบิก์อยู่กับพี่สาวของเขาอา p ์ฟริเชตได้พบกับพี่สาวที่สาบสูญไปจอร์จฮอปกินได้พบภรรยาของเขาแมรี่อีวานได้รับความรักจากพี่สาวของเธอรวมทั้งพ่อแม่และสามีดูเหมือนไม่มีใครจะได้พบกับคนที่ตนไม่พึงประสงค์ คำบอกเล่าของฮาวีในการที่เขาได้อยู่กับแม่ของตนอีกครั้งคือเรื่องของการหย่าผมถามแม่ว่าพ่อไปไหนเหรอแม่บอกว่าแม่ไม่ได้อยู่กับพ่อผมสะดุง้งพวกเขาอาจไม่ใช่คู่สมรสในอุดมคติแต่อย่างไรก็ตามพวกเขาแต่งงานและอยู่ด้วยกันมาตลอดชีวิตผมเลยบอกว่าทำไมแม่ไม่อยู่กับพ่อละ่ะลูกไม่ต้องห่วงเรื่องนี้หรอกแม่บอก พ่อกับแม่มีอะไรบางอย่างที่แตกต่างกันแต่เราก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเราไม่ได้เป็นคู่ที่เหมาะสมกันจริงๆเราไม่ใช่คู่ชีวิตในอุดมคติเราอาจคิดอะไรเหมือนกันบ้างต่างกันบ้างแต่ที่แน่ๆคือเราไม่เหมาะสมแก่กันแม่ได้อยู่กับเดวิดเรื่องนั้นทำให้ผมวูบไปเล็กๆผมคิดว่าถ้ามีเรื่องทำนองนี้เกิดขึ้นกับชีวิตหลังความตายและ ยังดําเนินไปเช่นนี้ผมคิดว่าเราคงได้อยู่กับคนรักเก่าของเราได้แม่ผมบอกว่าแต่ลูกจะได้อยู่กับคนที่เข้ากับลูกได้ลูกจะได้อยู่กับคนที่เหมาะสมกับลูกจริงๆในสวรรค์ก็มีเรื่องของการเลิกร้างห่างกันเพราะไปกันไม่ได้มีเสียงยืนยันเรื่องนี้จากการทรงในเดือนสิงหาคมปี1960 จากเสียงซึ่งอ้างว่าเป็นหญิงคนหนึ่งใบหน้าของเธอปรากฏอยู่ตามหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ในอังกฤษเมื่อเลขานุ ก, การผู้สวยสะดุดตากริยาน่ารักจากเฮานามว่าเอมี่จอนสันบินเดี่ยวไปเที่ยวออสเตรเลียในปี1930เธอกลายเป็นนักบินแนวหน้าของอังกฤษเป็นวีรสตรีในยุคนั้นเธอเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดเพลงยอดฮิตแห่งทศวรรษ ชื่อว่าเอมี่วันเดอร์ฟูลเอมี่ในปี1932เธอสวมชุดแดงเข้าพิธีวิวาเป็นเจ้าสาวแห่งตีกับหนุ่มนักบินนักดื่มในตาสีฟ้าชาวสกอตชื่อจิมมอริสันทั้งคู่เป็นส่วนผสมที่รุนแรงเกินไปงานวิวาจึงล่มสลายในปี1938เอมี่กลับมาใช้นามสกุลเดิมของตัวเองอีกครั้ง วันหนึ่งซึ่งหมอกลงจัดในเดือนมกราคมในปี1941ระหว่างสงครามเธอนำเครื่อง RAF จากแบ็กพูลไปล่อดลงนะสนามบินใกล้ออกฟอร์ดแต่เธอไปไม่ถึงหมอกลงจัดต้องปากแม่น้ำเทมทั้งเครื่องทั้งชูชีพมีคนยืนยันว่าเครื่องตกลงสู่ผืนทะเลที่เยือกแข็งจากนั้นก็ไม่มีใครเห็นเอมี่จอรสันอีกเลย ในวันที่6สิงหาคมขณะวูดกับเบตตี้กรีนรออยู่ในความมืดเสียงของหญิงคนหนึ่งก็ดังขึ้นและเริ่มพูดประกาศว่าเธอคือเอมี่จอรสันและพรรณนาความรู้สึกของเธอตอนที่กำลังจะตายจูๆ่ๆเธอหยุดไปครู่หนึ่งแล้วก็พูดขึ้นมาว่าตอนนั้นจิมอยู่กับฉันอ้อใช่บูดตอบรับ จิมมอริสันอดีตสามีของคุณเขาพูดอะไรกับคุณฉันไม่รู้เธอว่าเราพบกันแต่เราไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่เราพบกันฉันเกรงว่าฉันกับจิมคงเข้ากันได้ไม่ค่อยดีนะฉันคิดว่าเราเป็นคนแรงด้วยกันทั้งคู่ฉันขอไม่พูดเรื่องส่วนตัวของฉันก็แล้วกันประโยคนั้นจบไม่ดีแต่ความหมายก็ชัดแจ้งคู่สมรสที่ไม่ได้ผูกพันกัน ต่างรักษาความเป็นไทยของตัวเองไว้อย่างมั่นคงจากโลกนี้ไปจนถึงโลกหน้าทว่าสําหรับคนที่พลาดโอกาสแห่งความสุขในโลกนี้เล่าเสียงต่างๆเล่าว่าคู่รักที่เลิกล้างห่างกันไปก็ยังมีโอกาสพบความสุขได้ในโลกหน้าและสามารถหาคู่ได้บนสวรรค์เราเล่าค้างไว้เรื่องของจอร์ดวิลหมดคนเก็บของเก่าไปขาย เขาเคยแต่งงานมีภรรยาสองคนแต่ล้มเหลวทั้งคู่เมื่อเขาตายเขาได้พบกับคนนำทางและม้าตัวโปรดของเขาเราเดินไปด้วยกันวิลมอดเล่าเราเดินผ่านไปอีกด้านหนึ่งมุ่งไปทางขวามีต้นป๊อปล้ามากมายนั่นทำให้ฉันนึกถึงอะไรบางอย่างฉันคิดไม่ออกว่ามันคืออะไรแต่แล้วจูๆ่ๆมันก็วาบขึ้นมาในสมอง ฉันจำได้แล้วที่นี่เหมือนกับถนนสายหนึ่งในฝรั่งเศสตอนฉันอยู่ที่นั่นในช่วงสงครามระหว่างปี 1914-1918 ต้นไม้สูงๆเหล่านี้อยู่ข้างทางและก่อนไปถึงตรงนั้นฉันจำได้ว่าสุดทางจะเป็นบ้านเก่ามากหลังหนึ่งเต็มไปด้วยคนที่ฉันรู้จักผู้คนที่ฉันเคยอยู่ด้วยดีกับฉันในฝรั่งเศสระหว่างสงคราม ตอนนั้นฉันเป็นทหารเลยต้องไปขออาศัยกับพวกเขาใช่เป็นเช่นนั้นจริงๆมีแม่ลูกสาวและพ่อพวกเขาออกมายืนอยู่ข้างประตูรัว้วตรงสุดถนนและกำลังโบกมือให้ฉันไม่รู้สินะฉันเชื่อว่าพวกเขาต้องถูกสังหารกันไปแล้วเพราะฉันเคยได้ยินมาว่าบริเวณนี้โดนระเบิดตอนสงครามและฉันไม่อาจลืมเรื่องนี้ลงได้ฉันคิดว่า ฉันรู้สึกว่าพวกเขาตายไปแล้วและตัวฉันก็ตายไปแล้วฉันอยู่ในโลกของคนตายดังนั้นคนพวกนี้ก็คงจะต้องตายไปแน่ๆฉันต้องมองพวกเขาเขม็งจำหน้าตาพวกเขาได้แต่คู่สามีภรรยานั่นสิพวกเขากับดูอ่อนเยาว์เป็นหนุ่มเป็นสาวทั้งคู่แล้วใจของฉันก็นึกถึงภาพวาดสองภาพที่พวกเขาเคยตั้งไว้ข้างผนัง ภาพของพวกเขาตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวอายุราวๆยี่สิบปีเห็นจะได้และพอฉันเห็นพวกเขาในขณะนี้พวกเขาก็ดูเหมือนรูปนั้นส่วนลูกสาวเธอก็สาวพอๆกับแม่ของเธอเกือบจะอยู่ในวัยเดียวกันด้วยซ้ำลูกสาวของพวกเขานั่นแหละที่ฉันสนใจและเป็นตัวดึงดูดให้ฉันเข้าไปหาถ้าทุกอย่างเหมาะสมฉันจะหาโอกาสขอเธอแต่งงาน แน่นอนฉันไม่ได้แต่งงานและฉันคิดเสมอใช่ตอนนี้ฉันรู้แล้วบางทีที่สาเหตุของชีวิตคู่ของฉันล้มเหลวนั่นเพราะฉันมีภาพเด็กสาวคนนี้อยู่ในใจตลอดมาฉันคิดเสมอว่าเธอเป็นเด็กสาวที่น่ารักอ่อนหวานการุณาและฉันคิดเสมอว่าเธอเป็นคนที่เหมาะสมกับฉันแม้เราจะไม่เคยพูดอะไรกันเลย เรื่องเตรียมสุขชวนพิศวงนี้รอฮาวีทักเกอร์อยู่เช่นกันเขาเป็นโจรปล้นคนเดินทางในปี1968เขาได้สิ้นความผูกพันบนโลกใบนี้เด็กสาวคนหนึ่งตรงจับมือเขาผมมองเธอเป็นครั้งแรกเขาเล่าเป็นดวงหน้าที่ผมไม่เคยลืมใบหน้าของหญิงสาวที่ผมเคยลหลงไหลมากตอนเป็นวัยรุ่นกระทงผมติดใจเธอเหลือเกิน ตอนที่ผมมองหน้าเธอเธอก็มองหน้าผมเรารู้ว่าถ้าชีวิตของผมมีทางเลือกที่ต่างจากนั้นได้ผมคงมีโอกาสได้แต่งงานกับเธอถ้าผมจะไม่เป็นอย่างที่เคยเป็นคงไม่กระทำในสิ่งที่เลวร้และดักดานอยู่ตามถนนคอยปล้นผู้คนผมรู้ว่าถ้าเธอไม่เกิดเหตุและเสียชีวิตตั้งแต่ยังสาวเราคงจะได้แต่งงานกันและผมคงไม่ต้องเป็นคนแบบนี้ผมคงทางานในฟาร์ม หรือทำอะไรสักอย่างในหมู่บ้านซึ่งน่าจะมีรายได้พอสำหรับพวกเราแต่เธอก็ตายไปแล้วและนั่นคือสิ่งที่ผมต่อต้านถึงตรงนี้เธอจับมือผมและเอ่ยขึ้นว่าตอนนี้คุณสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ทุกอย่างเริ่มต้นอีกครั้งกับฉันฉันจะช่วยคุณนำทางคุณแสดงให้คุณเห็นถึงหนทาง ผมเดินไปกับเธอออกจากสถานที่ที่เหมือนปราสาทหลังใหญ่นั้นและคล้ายกับว่าเราออกมาสู่สถานที่เล็กๆมันอยู่ริมเมืองคุณคงอยากเรียกอย่างนั้นกระท่อมเล็กๆมุงหลังคาด้วยหญ้าฟางมีกำแพงต่ำล้อมรอบผมเกิดความรู้สึกเหมือนกลับมาที่บ้านทาั้งๆที่ผมไม่เคยเห็นสถานที่แห่งนี้มาก่อนขณะเราเข้าสู่กระท่อมนั้นมีบางอย่างเปลี่ยนแปลงไป เสื้อผ้าของเธอแทนที่จะเป็นชุดสวยสดงดงามมันกลับกลายเป็นชุดผมว่าคงเป็น ค, คล้ายๆผ้าคอตตอนชุดแบบเรียบๆแต่เธอก็ยังคงสวยงามตามแบบฉบับของเธอเธอกําลังรอผมตลอดมาเฝ้ามองดูผมเสมอคิดถึงผมพยายามให้ผมเดินบนทางที่ถูกต้องมาตลอดหลายปีและตอนนี้เราก็ได้อยู่ด้วยกัน เรื่องราวแห่งความรักที่โรแมนติกที่สุดประดุลเรื่องสั้นประโลมโลกในนิตยสารผู้หญิงได้ถูกถ่ายทอดให้ทำการบันทึกไว้ในวันที่20มกราคมในปี1969ความเงียบในแฟลตของฟลินท์หมดสิ้นลงด้วยเสียงของผู้หญิงสํานียงสกอตแนะนำตัวเองว่าดิฉันชื่อแมรี่แอน์รอสและเกิดอะไรขึ้นคะแมรี่เบ็ตตี้กรีนถาม ตอนคุณเสียชีวิตคุณเสียชีวิตไปเมื่อไหร่นะคะนานมาแล้วเธอตอบดิฉันกําลังนั่งอยู่ในห้องครัวเย็บผ้าอยู่ใกล้ๆโคมไฟค่ะกรุณาเล่าต่อไปและดิฉันจําไม่ได้ว่าตัวเองลุกขึ้นมาจากเก้าอี้เมื่อไหร่เกิดอะไรขึ้นตอนนั้นคะแมรี่มันประหลาดมากเหมือนกับมีแสงสว่างจ้าไปรอบห้องและดิฉันเห็นทุกคนอยู่ ร, บรอบๆคุณแม่กับคุณพ่อของดิฉัน พี่ชายของดิฉันเขาเสียชีวิตไปหลายปีก่อนเขายืนอยู่กับเนลลี่เธอเป็นเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อไม่กี่สัปดาห์นั้นเองทุกคนอยู่ในห้องดิฉันรู้สึกเหมือนความฝันจนกระทั่งเนลลี่เดินเข้ามาหาดิฉันกอดและจูบดิฉันจากนั้นทุกคนก็เข้ามาจับมือไว้ดิฉันกําลังลอยออกไปเหมือนกําลังลอยออกไปนอกหน้าต่าง แล้วทุกอย่างก็มืดสนิทดิฉันจำอะไรไม่ได้เลยตื่นมาอีกครั้งดิฉันอยู่บนเตียงในห้องที่น่ารักมีข้าวของสภาพต่างๆเหมือนบ้านโบราณมันอบอุ่นมีแสงอาทิตย์ดิฉันคิดว่าใช่มีแสงแดดผ่านทะลุเข้ามาและคุณแม่ของดิฉันท่านไม่เหมือนเดิมอย่างที่ดิฉันเห็นท่านเมื่อสักครู่ตอนที่ดิฉันคิดว่าตัวเองกาลังฝันไป ท่านดูสาวขึ้นเหมือนรูปถ่ายตอนสาวๆที่แขวนไว้ในห้องนอนภาพนั้นถ่ายตอนที่แม่ของดิฉันแต่งงานเมื่อหลายปีมาก่อนและตอนนี้ดิฉันคิดว่าตัวเองกำลังฝันอยู่ไม่มันไม่ใช่ความฝันคุณแม่บอกมันเป็นความจริงตอนนี้ลูกมีชีวิตใหม่ไม่ต้องห่วงอะไรอีกแล้วเมื่อลูกปรับตัวได้เราจะพาลูกออกไปพบกับคนที่ลูกรู้จักเมื่อตอนเด็กๆ ดิฉันไม่รู้ตัวว่าตัวเองได้ตายไปแล้วมันเหมือนกับความฝันอันบันจเดิดจู่ๆมีสุนัขตัวหนึ่งกระโดดขึ้นมาบนเตียงและทำเอาฉันตกตะลึงดิฉันเป็นคนรักสุนัขและสุนัขตัวนี้เป็นตัวเดียวกับที่ฉันเคยเลี้ยงไว้เมื่อหลายปีก่อนและมันโดนรถชนตายมันชื่อนิปเปอร์พอดิฉันเห็นนิปเปอร์กระโดดขึ้นมาฉันนึกอะไรไม่ออกเลยคุณแม่ก็บอกว่า ที่นี่ก็มีสัตว์เลี้ยงเช่นเดียวกันดิฉันไม่เข้าใจไม่อยากเชื่อตอนเป็นเด็กๆ ด, ดิฉันถูกเลี้ยงให้อยู่ในกรอบของศาสนาไม่เคยคิดว่าบนสวรรค์จะมีสัตว์เลี้ยงและที่นี่ก็ดูเป็นธรรมชาติปกติธรรมดามากกว่าจะเป็นสวรรค์ดิฉันคิดว่าสวรรค์น่าจะแตกต่างไปจากนี้ควรเหมือนกับที่เคยเห็นในรูปภาพหรือในหนังสือศาสนามีเทวดา นางฟ้ามีปีแต่ที่นี่มันไม่ใช่สิ่งต่อมาที่ทำให้ดิฉันต้องงงหนักขึ้นซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจนั่นคือฉันรู้สึกว่าตัวเองกำลังเดินไปบนทางเดินมีต้นไม้อยู่สองข้างทางทุ่งหญ้าสวยงามมองเห็นฟาร์มปศุสัตว์ดิฉันจำได้ว่าตัวเองเดินอยู่โดยไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยดิฉันเดินมาจนสุดถนน มีบ้านหลังหนึ่งสีขาวสวยงามบันไดไม้ทาสีขาวเป็นสีที่หมดจดแวววาวราวกับแผ่มุกพอมาถึงบ้านหลังนี้ก็มีชายหนุ่มคนหนึ่งเดินออกมาจากประตูหัวใจดิฉันไหวเยือกถ้าดิฉันจะมีหัวใจนะคะดิฉันรู้สึกราวกับไม่อยากจะเชื่อเลยเขาคือชายหนุ่มที่ดิฉันชอบมากแต่เลิกกับเขาไปแล้วไม่ใช่เพราะดิฉันไม่ได้รักเขา แต่พราะรู้ตัวว่าแต่งงานกับเขาไม่ได้เพราะนั่นมันหมายความว่าดิฉันต้องหยุดเลี้ยงพ่อแม่ที่เท่าชลาต้องการคนเอาใจใส่และดิฉันรู้สึกว่าเป็นการไม่ถูกต้องหากจะเลือกผู้ชายแทนพ่อแม่ไม่สำคัญหรอกว่าเขารักดิฉันแค่ไหนดิฉันแค่บอกเลิกกับเขาและเขาก็ไม่ยอมแต่งงานใหม่อีกไม่นานเขาก็ย้ายไปจากละแวกนั้นและดิฉันก็ขาดการติดต่อกับเขาอีกหลายปี เขาออกมาจากบ้านหลังนั้นท่าทางยังเหมือนเดิมตอนเขาอยู่ในวัยต้นสามสิบสูงเข้มแม้วันเก่าเขาเคยมีหนวดแต่ตอนนี้เขาไม่มีเขารีบเดินป่าสวนมาหาดิฉันยกแขนขึ้นโอบร่างดิฉันไว้เป็นครั้งแรกที่ฉันรู้สึกว่ามีคนต้องการตัวดิฉันจริงๆดิฉันรู้ดีว่าไม่ควรพูดเช่นนั้นเพราะพ่อแม่ของดิฉันก็ต้องการดิฉันเช่นกัน และดิฉันก็รับคุณพ่อคุณแม่มากเทาะว่ามันเป็นความรู้สึกที่ต่างออกไปในที่สุดคุณก็กลับมาหาผมเขาเอ่ยคราวนี้คุณจะไม่จากผมไปอีกแมรี่แอนดรอสไม่รู้จะพูดอะไรกับอีกฝ่ายจูๆ่ๆดอกไม้ทั้งสวนก็ผลีบานมีชีวิตชีวามีดอกไม้ทุกชนิดทั้งดอกไม้ที่เธอจำได้บนโลกและดอกไม้ที่เธอไม่เคยเห็น มีดอกไม้พุ่มหนึ่งคล้ายดอกป๊อปปี้มันโตขึ้นเรื่อยๆจนแมรี่คิดว่าถ้ามันไม่หยุดโตมันคงต้องสูงเท่าบ้านแต่ในที่สุดบทลงเอยก็คือแมรี่แอนด์รอสได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอยู่กับรอสซี่รอสซิตเตอร์ส่วนต้นไม้ที่คล้ายป๊อปปี้นั้นมันหยุดโตเมื่อขนาดของมันสูงเท่าบ้านและก็ผลิดอกเบ่งบาน จนกลีบโค้งลงมาเหมือนล่มทั้งคู่เดินไปอยู่ใต้กลีบดอกส้มขนาดใหญ่ซึ่งเหมือนมีแสงสว่างเปล่งประกายออกมามันให้ความอบอุ่นรุ่งโรจน์รสซี่ยิ้มเมื่อแมรี่บอกว่าเธอไม่เคยเห็นดอกไม้ที่ขนาดใหญ่เท่านี้มาก่อนอ๋อเขาอุทานว่าคุณจะมาผมก็เพียนปลูกต้นไม้ดอกไม้ในความคิดของผมแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นเช่นนี้จนกระทั่งคุณมาอยู่ที่นี่ เจ้าดอกที่คุณคิดว่าเหมือนดอกป๊อปปี้มันคือความรักของผมที่รอการเด่งบานตอนนี้เรามีอิสระที่จะรักกันแล้วเข้ามาในบ้านสิแมรี่ไม่รู้ว่าเธอเข้าไปในบ้านได้อย่างไรรู้สึกเหมือนเท้าไม่แตะพื้นเธอเข้าไปอยู่ในบ้านอย่างที่เคยฝันถึงไม่ใช่บ้านหลังใหญ่โตโอรานแต่ก็ไม่เล็กเหมือนบ้านที่เธออยู่ข้าวของเครื่องใช้เครียบ้อมเฟอร์นิเจอร์ต่างๆมีอยู่ครบถ้วน เป็นของจริงทีนี้รอสซี่รอซเตอร์เอ่ยเราจะได้อยู่ด้วยกันได้ชดเชยช่วงเวลาที่สูญเสียไปแมรี่คิดถึงพ่อกับแม่ไม่เป็นไรเขาปลอบมันจบลงแล้วที่นี่คุณจะมีชีวิตของคุณเองอย่างที่คุณต้องการแต่เรายังติดต่อพวกเขาได้สามารถไปพบพวกเขาได้ทุกเวลาที่ต้องการและพวกเขาก็มาหาเราได้เช่นเดียวกัน ยังมีเรื่องอีกมากมายที่คุณจะต้องเรียนรู้คำพูดสุดท้ายของแมรี่ที่มีต่อการบันทึกคราวนั้นคือไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่ทำให้ดิชันสามารถติดต่อกับพวกคุณได้มันมีพลังมีอำนาจและดิฉันก็มีความสุขที่ได้มาอยู่ที่นี่และหวังว่าคงจะได้พบกับพวกคุณอีกเธอไม่เคยมาอีกเลยหรือเป็นเพราะเธอเพลินกับชีวิตที่มีความสุขหลังความตาย มากจนเกินไป